คุณผู้ฟังคะเรื่องของพูดผีวิญญาณขอยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องเหลวไหลหรือว่าไร้สาระแน่นอนนะคะเพราะว่ามีผู้ที่ประสบพบเห็นผีพบเห็นวิญญาณมาแล้วมากมายค่ะบางครั้งก็พบคนเดียวนะคะแล้วก็บางคราวก็พบเป็นหมู่เป็นคณะซึ่งการเห็นผีนี่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะแต่ว่ามีบางคนเท่านั้นที่พบเห็นได้ในบางวาระค่ะ เช่นการเห็นโดยบังเอิญอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะซึ่งในกรณีนี้อาจจะเนื่องจากว่าผีเนี่ยมีเจตนาให้พบเจอเขาก็เลยได้แสดงกายอยาบให้คนได้เห็นดังกล่าวค่ะผีที่มีความประสงค์จะให้คนใดคนหนึ่งเห็นเป็นตัวเป็นตนเช่นนั้นเป็นไปได้นะคะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือให้ทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาด้วยหรือว่ามาแสดงเป็น รูปกายนะคะเพื่อที่จะส่งสัญญาณบางสิ่งบางอย่างหรือว่าแสดงความห่วงใยอะไรแอวไวเพราะว่ามีจิตที่ผูกพันกันแนบแน่นค่ะอีกกรณีหนึ่งนะคะที่มีผีมาปรากฏเป็นไปได้ในลักษณะของการมีเจตนามุ่งร้ายคือต้องการให้ตกใจกลัวบ้างหลอกหลอนบ้างด้วยเจตนากลั่นแกล้ง ผีประเภทนี้ค่ะเรียกว่ายังมีมิจฉาทิฐิสูงนะคะแล้วก็มีจิตหยาบแล้วก็ต่ํารามแม้ว่าจะตายไปเหลือแต่วิญญาณก็ยังไม่รู้ดีหรือว่ารู้ชั่วค่ะพูดถึงผีที่ชอบหลอกหลอนหรือว่ารังควานผู้อื่นด้วยเจตนาร้ายมีเรื่องหนึ่งนะคะที่มีผู้พบเห็นผีดังกล่าวได้เขียนเล่าเรื่องไว้ด้วยตัวของท่านเองอย่างเช่นเรื่องของหลวงพ่อใหญ่อภินันทภิ ค, คุขาหรือว่าหลวงพ่อจุนนะคะซึ่งชาวบ้านเรียกท่านว่าหลวงพ่อ ท่านเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดคูหาสวรรค์ตำบลนิคมอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะมีพระอนุก โ, กโมหรือว่าปิยะสัตยวิถีนะคะเป็นผู้ที่เขียนจากคําปากอบอกเล่าของหลวงพ่อจุนนะคะแล้วก็พิมพ์ไว้ในหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานฉลองถ้าใหญ่คูหาสวรรค์ ก็ขออนุญาตนะคะนาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังดังนี้ค่ะที่บ้านหลังใหญ่อันเป็นบ้านแบ่งห้องให้เช่าลักษณะหอพักนะคะตั้งอยู่บ้านเล็กที่43ทับ 1, อยู่ที่ซอยปลูกจิตลุมพินีนะคะก็เป็นที่อยู่ของคุณนายนิพาสายสวัสด์บ้านหลังนี้นะคะมีเสา อ, อยู่ต้นนึงเป็นเสาตกน้ำมันค่ะ เป็นเสาที่อยู่ในห้องด้านหลังนะคะแล้วก็น่าแปลกนะคะคุณผู้ฟังที่ห้องด้านหลังนี้มักจะว่างแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาพักนะคะซึ่งเวลาที่มีคนมาเช่าอยู่อาศัยก็อยู่กันได้ไม่นานก็ต้องรีบย้ายออกไปสาเหตุที่ย้ายก็คือผีดุนั่นเองค่ะ วันหนึ่งนะคะหลวงพ่อจุนมีกิจเข้ามาทำธุระในกรุงเทพคุณนายนิพาซึ่งเป็นศิษย์ของท่านก็เลยนิมนต์ท่านมาจำวัดอยู่ที่ห้องพักผีดุและท่านก็ได้ฟังเรื่องเล่านะคะที่คุณนายนิพาสายสวัสดิ์ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องของเสาตกน้ำมันในห้องดังกล่าวค่ะ หลวงพ่อจุนพิจารณาแล้วก็บอกว่าจะต้องสะกดไว้คืนนั้นเวลาประมาณ2องทุ่มหลวงพ่อจุนก็ทําพิธีสะกดอยู่นานเวลาพอสมควรนะคะหลังจากสะกดแล้วหลวงพ่อก็จําวัดในห้องนั้นนะคะในคืนเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังประมาณตีห้าค่ะเด็กชายสิทธิพลอายุ12ปีเป็นนักเรียนอํานวยศิล น, นะคะกับเด็กหญิงนายนาอายุ14ปีนักเรียนราชินีบนค่ะบุตรของอคุณนายนิพาซึ่งนอนอยู่กับเด็กกระดับชายอีก2คนในห้องติดติดกันกับห้องผีดุ ตื่นขึ้นมาเตรียมตัวไปโรงเรียนนะคะระหว่างห้องสองห้องนี้ก็คือห้องนอนของบุตรชายและก็บุตรหญิงของคุณนายนิพากับเสาอ่ากับห้องที่มีเสาตกน้ํามันที่หลวงพ่อจุนจํำวัดผนังห้องกั้นด้วยกระจกใสทําให้มองทะลุถึงกันได้ค่ะขณะที่เด็กชายแล้วก็เด็กหญิง2คนนะคะแล้วก็เด็กรับใช้กําลังพับผ้าห่มอยู่นั้น ทุกคนก็ได้เห็นภาพสยองขวัญที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือมีมือขนาดใหญ่โตนะคะเรียกว่าเป็นมือที่ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เนื้อหนังเหี่ยวย่นพร้อมกับมีเล็บแหลมงงนะคะยื่นออกมาจากเสาตกน้ำมันแล้วก็ยืดยาวมาที่ฝาห้องกระจก แทงทะลุฝาห้องกระจกข้ามมาอีกห้องหนึ่งโดยที่กระจกไม่แตกร้าวแล้วก็ยื่นมาที่มืออ่ามาที่เด็กทั้งสองคนกับสาวใช้อีกสองคนนะคะเรียกว่าเด็กสองคนนี่อ้าปากค้างด้วยความตกใจสุดขีดพอมือปีศาจยื่นเข้ามาใกล้ตัวของเด็กๆ ก, ก็พากันหวีดร้องเสียงโวยวายฟังไม่ได้สับค่ะหลวงพ่อจุนก็เลยลุกขึ้น เมื่อเห็นมือปีศาจจากเสาตกน้ำมันหลอกหลอนเด็กท่านก็คว้าไม่เท้าของท่านซึ่งวางอยู่ข้างๆตีมืออุบาทนั้นมือสยองก็หายวูบเข้าไปในเสาตกน้ามันเหมือนเดิมนะคะแล้วท่านก็ลุกไปเดินไปปลอบเด็กให้หายตกใจแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วหลวงพ่อจุนบอกว่า ผีเสาตกน้ำมันนี่ออกจะเฮี้ยนอาการอยู่ท่านทำพิธีสะกดซ้ำอีกครั้งนะคะและนับตั้งแต่นั้นมาผีเสาตกน้ำมันก็หายไปไม่ออกมาอาลวาดหลอกหลอนอีกเลยค่ะสำหรับเรื่องผีดุถึงขั้นแสดงตัวออกมาหลอกผู้คนให้เห็นการน่าจะขนพองสยองเกล้าเช่นนี้ก็มีผู้พบผ่านอีกรายหนึ่งคือคุณซิวกีบุญนาคกับคุณรั ด, ดาพิทักษ์สันติพันธ์ท่านทั้งสองนี้ได้ไปปลูกตึกใหม่ที่พระขนง เยื้องกับสถานีตำรวจพระขนงนะคะเมื่อเข้ามาอยู่แรกๆก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นเวลาเย็นย่ำพลบ้่มแล้วนะคะคุณซิวกีก็นั่งรับประทานอาหารค่มอยู่คนเดียวตำแหน่งที่นั่งเนี่ยหันหน้าไปทางประตูรั้วบ้านค่ะ ขณะที่คุณซิวกีมองไปที่ประตูรั้วก็เห็นผู้ชายคนนึงกำลังปีนประตูรั้วจะข้ามเข้ามานะคะในบ้านของคุณซิวกีก็ตกใจมากคิดว่าขโมยจะเข้ามาในบ้านเพื่อลักทรัพย์หากเปิดประตูรั้วเข้ามาไม่ได้เนื่องจากว่าประตูนี้มันใส่กรรเอาไว้ไม่ทันที่คุณซิวกีจะตะโกนเรียกคนรับใช้ซึ่งอยู่ทางหลังบ้านก็ต้องตกตะลึงตาค้างแล้วล่ะคะ่ะเมื่อเห็น ผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ยที่ปีนคล่อมอยู่เหนือประตูรั้วบ้านเอื้อมมือลงมาที่กรอนประตูเพื่อจะเปิดออกคราวนี้ไม่ใช่ว่ากลัวขโมยแล้วนะคะแต่ว่ากลัวผีขึ้นมาค่ะเพราะว่าคนที่พยายามจะบุกรุกบ้านนะคะเอื้อมมือลงมาที่กรอนประตูรั้วแขนยืดยาวลงมาไม่ต่ํากว่า2เมตรแล้วก็ในพริปตาต่อมา ไม่ทันที่มืออันยาวเหยียดจะแตะต้องถูกกรอนประตูเจ้ามืออุบาทก็อ้าปากกร้องแล้วก็ทําท่าสะดุ้งนะคะคล้ายกับโดนตีที่ศีรษะก่อนจะลื่นไหลตกลงไปนอกประตูลักษณะคล้ายกับคนไม่มีกระดูกค่ะหรือว่าลักษณะเดียวกันกับผืนผ้าที่ลื่นไหลตกลงไปคุณซิวกี่นี้บอกว่าไม่เชื่อตาตัวเองเลยคือว่าจะเห็นภาพที่พิลึกพิลั่นเช่นนี้ก็เลยเรียบวิ่งออกไปดูที่ประตูเปิดประตูออกไปดูทั้งรอบซ้ายแล้วก็ขวาก็ไม่เห็นมีอะไร ก็เลยเชื่อแน่ๆว่าถูกผีหลอกเข้าให้แล้วผีต้นเดิมตัวนี้ไม่ใช่ว่าบมาปรากฏเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็หายไปแต่ว่ามาปรากฏให้เห็นลักษณะเดิมค่ะหลายหนเหมือนกันคือปีนรั้วขึ้นไปคล่อมอยู่บนประตูรัว้วแล้วก็เหยียดยืดมือจะเข้ามาเปิดกรอนประตูแต่พอแตะกรอนก็มีอาการคล้ายกับถูกตีศรีรษะร่วงตกลงไป คนใช้ในบ้านของคุณซิวกี้ก็เห็นกันหลายคนนะคะคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงก็เห็นแล้วก็พากันหวาดกลัวอย่างมากพอถึงเวลาค่ํามืดก็ไม่มีใครกล้าเดินผ่านหน้าบ้านคุณซิวกี้ถ้าไม่จําเป็นจริงๆแล้วก็แม้ว่าคุณลัดดานะคะบุตรสาวคุณซิวกีเองก็กลัวผีตนนี้อย่างจับจิตจับใจวันไหนกลับบ้านค่าพอขับรถมาจอดที่หน้าบ้านเธอก็จะกดแตรเสียงดังลั่นเพื่อที่จะให้เสียงเนี่ยมันเป็นเพื่อนจนกว่าคนรับใช้จะมาเปิดประตูให้นะคะ นอกจากไอผีหัวขโมยที่พยายามจะเข้ามาบ้านแล้วก็ยังมีผีเด็กนะคะที่ส่งเสียงร้องอยู่ข้างรั้วบ้านบ่อยๆพอเปิดประตูออกไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรนะคะคือมีแต่ความว่างเปล่าเมื่อมีเรื่องอกสันขวัญหายเกิดขึ้นเช่นนี้ค่ะคุณชิวกีก็เลยออกไปสอบถามความเป็นมาของที่ดินผืนนี้ก็เลยทราบนะคะว่าที่ดินผืนดังกล่าวเนี่ย เคยมีตำรวจกับผู้ร้า ย, ยิงต่อสู้กันและก็มีผู้เสียชีวิตในการยิงต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายหลายคนนะคะวิญญาณผีตายโหงก็เลยเฮี้ยนนักแต่ว่าพูดผีวิญญาณที่พยายามจะเข้ามารังควานคนในบ้านคุณซิวกี้ไม่สําเร็จเนื่องจากนะคะตอนลงเสาเข็มสร้างตึกหลังนี้คุณซิลกี้ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อจุนอีกคนนึงได้ไปนิมนต์ให้ท่านมาทําพิธีปัดรังควานแล้วก็ถอนอาเพศอาถรรพ์ก่อนแล้วแล้วก็ภายในบ้านนี้ยังมีภาพพ่านนะคะบู ชาด้วยวิญญาณร้ายจึงไม่เข้ามาอรารวาสค่ะแม้ว่าวิญญาณซึ่งน่าจะเป็นผีตายโหงนะคะเข้ามาในบ้านไม่ได้แต่ว่ามันก็มาหลอกหลอนอยู่ตรงประตูบ่อยครั้งซึ่งคุณลดากับคุณซิวกีเองจึงเดินทางไปขอทรายเศกแล้วก็น้ำมนต์ที่วัดถ้ำคูหาสวรค์นํามาพรมมาโปรยไปทั่วบ้านและวกะนับตั้งแต่นั้นมาค่ะควรผู้ฟังเรื่องของผีร้ายที่ปีนรั้วข้ามเข้ามาก็ไม่เคยมาแสดงตนหรือว่ามารังควานบ้านคุณซิวกีอีกเลยค่ะ